ห6ปีให้หลังรู้สึกว่าฝนอุรมสมบูรณ์มากปีนี้รู้สึกว่าผิดปกติฝนไม่ค่อยตกตกแต่ไม่สม่าเสมอไม่ต่อเนื่องแต่นาดอ น, นรู้สึกว่าจะลำบากเวลาเราเวลาจะดำนานในช่วงนี้มันเป็นช่วงดำนานเลยเนยะเข้าพรรษามาเกือบเดือ น, น้นี่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 พืชไร่พืชสวนยังยังไม่เสียหายแต่ปักดำเรื่องดำนานรู้สึกว่ามีปัญหาปีนี้ฟังฟังดูทางมุกดาหารยังไม่ได้ดำนาเนีเขาให้ข่าวมาบอกยังดำนายังไม่เสร็จอยู่ชาวนาชาวนานี่ยทม่ได้ดำนานี่ใจไม่ดีนะ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 เปีเจเดือนแต่นี่เศรษฐีท่านเขารู้เถอเนี่ยคนรู้หมอโหนท่านเขไม่ประมาทเตรียมสางข้าวไว้เลยเถอะทำสางข้าวมีเงินท่านเอาใส่สางข้าวทั้งหมดไปแล้วก็ฝาสางข้าวผสมก็ขี้โคนผสมก็ขี้ควายนีย่ยนั้นขยําขยํากับข้าวแล้วกับชาบฝาผนังฉาบชาบชบช บ, า บ, าบจาก น, นเอาข้าวเข้าไป คิดว่าเตรียมพร้อมเหมือนกันเถอะเตรียมพร้อมที่จะสู้กับความอดอยากแต่ถึงขนาดก็ตามพอมันที่ไหนอดไม่มีข้าวกินเขาหลังไหลมาเศรษฐีกับแบ่งให้ข้าวให้กินให้ข้าวให้กินข้าวกินข้าวกินข้าวกินเอาไปมาข้าวหมดวันเนี้ยเจ็ดปีแล้ะ พอหมดแล้วก็กระเทาะฝาบ่เนี่ทุบฝาเหนงั้นเที่ขยำข้าวกับขี้โคนขี้ดินน่ทุบทุบทบฝาเสร็จแล้วรับมาละเลงละลายเลยรับมาเป็นเม็ดข้าวเลวกินกันอีกเงั้นแกกลูกน้องผลใ้สุดสู้มไมไหให้ลูกน้องออกไปมีแต่พ่อแม่ลูกสาวลูกชายคนใช้ในบ้านท่านเอง ต่อมาก่อนวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายปะ่ะเนี่หมดบรงงานแ อ, อ, อ่กระทะหมดแล้โรงงา น, นแต่แปลว่าเป็นกรอบสุดท้าย เ, เวลาหุงก็หุงในบ้านปะน่ะเ้อืยไม่ให้มีกลิ่น ม, มีไอออกมาแโรงงานแต่กลัวคนจะมาแย่งกินพอหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะอาหารก็พร้อมแล้วอนนี้พร้อมที่จะแบ่งกันกิน แบ่งสรรปันส่วนกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก อ, อวันนั้นพ่อเปรเจดท่านก็อดเหมือนกันนี่ท่านอยู่ในป่ า, างั้นท่านอยู่ในถ้ำจัตบุบรนนครูหาท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติมาใครน่าจะใส่บาตรให้กินเนาอวันนี้นท่านก็มองดูเหมือนกันเหมือนกันท่านมองดูไปเห็นเนี่ยเศรษฐีเนี่ยกําลัง หุงข้าสุกใหม่ๆว่างั้นเลยกําลังกระมุกกระมับว่างั้นเลยกำลังซ่อนมันเพื่อจะแบ่งเงินกินในพ่พอแม่ลูกว่างั้นพะปฏิเจกกบินธบาดเดินมาเหาะมาเลยว่างั้นเลยเหาะมายืนจึ๊กเลยทางเมรุกะเศรษฐีโธ่พะปฏิเจกมาท่านพอมาเอาอยัางไงอาหารมีอยู่หม้อเดียวที่พวกเราจะแบ่งกันพวกเราใครจะเอาบ้างบอกโอ้ย เกิดมาทั้งทีไม่ยังไม่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกเลยพวกเราร่วมกันทําบุญเออจากนั้นก่อนตั้งจิตอธิษฐานทุกคนเหมือั้นเถอะขอให้ยังไงยังไงก็ว่าในจิตอธิษฐานจากนั้นกับพ่อพากันใส่บาดพระปัจเจกใส่บาดพระประเจกเสร็จเรียบร้อยเมื่อพระปัจเจกออะพระพุทธเจ้า ก, ก็ให้พรได้พอรับพรเสร็จแล้ว เอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาขอ ง, ของท่านทั้งหลายจงสําเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการพอว่าจะนั่นกับพระปเจก็เหาะเลยเหาะไปไปกับไปชันของท่านพวกนี้ก็เอาแล้วตายแ ล, ล้วเราบาดเนี่ยนคือผู้พ่อในปรารถนาว่าขอให ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดจะให้อดทายากรอให้อาหารการบริโภคเนี่ยเต็มยุ้งเต็มสางาพร้อมเงินคําทรัพย์สมบัติลักษณะอย่างนั้นน่ะอทั้งแม่บ้านเขาบอกว่าขอให้มีข้าวน้ําปัใจจัยจะให้อดทายากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้แกจกจ่ายพืชพันธัญยาอาหารให้แก่คู่คนแต่ลูกน้องนี่ยสิเคยเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องอย่างเก่า ลูกน้องที่เป็นคนใช้นะคนใช้ในป่าธนายังไงขอให้อยู่กับเจ้านายเวลาไถานาทีหนึ่งเนีเออ่ยให้ได้ห้าหกคลองมาเงินเหมือนกับได้รถไถอย่างทุกวันนี้เราเงินทั้งที่ป่าถนาว่าขอให้เข้าไปเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้ร่ารวยคิดไกลกว่านั้นก็นไม่ได้เหมือนกันก็ขอให้เข้าไปเจ้าเป็นลูกน้องที่ดีของเจ้านายเวลาไถานาขอให้ได้ทีละห้าหกคองคือว่าไถานาแต่ละครั้งน่ะมัน ไถทีละคลองละคลองเน๊ะเหมือนกับเราไถาาาานาโบราณนั่นแหะกว่าจะไถได้ไหมเหนื่อยแทบล้มแทบตายแต่แก่ก็เลยคิดไม่ออกอย่างอื่นมื่อไงคิดขอให้ได้ไถานาให้ได้ห้าหกคลองเหมือนกันเถอะทีเดียวเหมือนกันเถอะไอ้ปาถนาให้เป็นคนร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่เอาเลยทั้งที่ตั้งความปราถนาได้เหมืนกันเถอะทั้งที่อันนี้สงทานก็มีอยู่ในนั้นนี่เนี่ยเป่นคนรับใช้เนี่ย ดูๆแล้วไม่ไม่กว่างควางเลยอันนี้อยากปรารถนาให้ได้ไถนาอยู่อยอยากให้ได้ไถนาได้ห้าหครองอืออยนี้ก็ขอให้เป็นลูกน้องของเศรษฐีตลอดไปอย่นั้นเอโอ้แสดงว่าจงรักภักดีอย่างมาก ๆ, ๆอย่างนั้นเถอะทนี้ก็พอถวายเสร็จพ่อปเจกก็ให้พรแ่เนียพอปเจกออกจากนิโรธสมาบัติเด แต่ว่าใครปรารถนาสิ่งไหนก็ได้สมความมุ่งมั่นอันนี้สง ม, มหาศาลเลยว่างั้นแต่ปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครับว่าพระปฏิเจกให้พรเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จจะปรารชนะได้ทั้งหมดว่างั้นแตอแต่ถ้าปฏิเจกให้พร อ, อย่างนั้นแล้วว่างั้นแต่ทีนี้พอให้พรเสร็จแล้วก็ตายแล้วบ้านีเพราะมันหิวเข้าหิวเข้าผู้พ่อบ้านก็เลยเบอกว่า ตัวเศษทนะีไอ้ไอ้ข้าวที่มันเข้าตรงเข้าตังที่มันติดข้างหม้อไม่มีบ้างเนอะเอว่าจันไปดูดูหน่อยขิวหนะทางแม่บ้านก่อตั้งที่ตัวเองตักออกจากหม้อข้าวแล้วงั้นเถอะใส่บาดเพราะปะเจกแล้วมันหมดแล้วว่งั้นเถอะแต่พอเมื่อพ่อบ้านเขาบอกอย่างงั้นก่อนด้วยความเก่งอกเก่งใจด้วยความหวังดีว่างั้นเถอะแล้วอไอ้ไม่มีแล้หมดแล้วก็จึงว่าอย่างไงก็เดินเข้าไป อพอไปเปิดดูเท่านั้นข้าวอที่ท่านปาถนาไว้ขอให้ข้าวเต็มหม้อเต็มยุ่งเต็มสางอยาให้ข้าพเจ้าอดอยากพร้อมที่จะแจกทานได้หม้อข้าวเต็มในข้าวหมดเลยงั้นโอ้ข้าวเต็มอจุนี้หม้อหมดแล้วอุอันนิสงของเราทําไมเร็วขนาดนี้ว่างั้นจากนั้นก็เลยมมาแจกแจกเสร็จแล้วก็ทีนี้แจกให้คู่คนกินไปดูยุ่งดูสางก็เต็มอีกอ ลูกชายก็แจกเงินว่าั้นแ่ะลูกสาวลูกชายแจกเงินพ่อแม่แจกพันข้าวงั้นแต่พ่อมพากันแจกอาหารอทางลูกจ้างที่ผู้หวังดีเนี่ยคนอื่นก็ได้หมดเราจะได้หรือเปล่าก็เลยไปทองดรดตองไถนาดูเงินพอไถนาก็ได้หกคลองจริงๆงว่งั้นโอ้ออไถนาได้หกคลองะะอือางั้นแต่อันนิสง ให้ทานกับพระประเจกนี่อันนี้สงูสงสุงจริงจริงเหมือนกันเนี่ยขณะเกิดมาพบนันชาติั้นกับเป็นผู้ทําบุญทําทานได้ทําพระประเจกเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เป็นเศรษฐีในกรุงราชสักย์เนี่ยพอใ น, นกรุงราชคักย์พญาปเสนรับอพญาพิมพิสารเนี่ยเป็นเขื่อญาติกันถ้าจะว่าไปเลยก็พญาพิมพิสารมาแต่งงานกับอืม น้องสาวของพระญาปเสนมันงนั้นแต่เป็นให้เข้าเป็นน้องเขยเป็นลุงกันพระญาปเสนก็เลยไปแสดงความเคารพบอกเศรษฐีอยู่บันในเมืองหมอมฉันไม่ค่อยมากเศรษฐีในกรุงราชคือนี่มากกว่าขอตระกูลเศรษฐีสักตระกูลหนึ่งเถิดไปอยู่กรุงสวัสดีพญาพิมพ์พิสานบอกโอ้จะย้ า, ายตระกูลเศรษฐีเนี่ยมันไม่ใช่ของย้ายง่ายๆนะ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 พอมาจากนี้ไปกรุงสวัสดีไกลไหมหรอประมาณ20กิโลอ่างนั้นนะเิดถ้า20กิโลหมอมชันจะตั้งมเมืองอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้มันใกล้เกินไปเพื่อการไปมาหาสู่สะดวกสบายถ้าอยู่ในเมืองมันจะแออัดเกินไปงั้นก็เลยตั้งเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองสาเกตา น, นั้นนะตั้งเมืองสาเกตขึ้นมาคือเศรษฐีเมตกาั a, เศรษฐีเนี่ยก็ตั้ง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 ท่านสร้างธรรมธาตุขึ้นมาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วสร้างนี่แหละหลังแพ้หลังแพะหลังม้า ห, หลังบัวหลังช้างแล้วั่นแหละให้เข้าเป็นบันไดขึ้นไปบนธรรมธาตุอันนี้สง์นั่นแหละพอเกิดมาพบนชาตนินี้เกิดมาหลายภพชาติแล้วบันไดขึ้นไปบนธรรมธาตุของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกิดมาพบนชาตินี้แปลว่าพวก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 พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองเบรันซาราจำพรรษาอยู่ที่นั่นก็โอ้โหฟ้าแรงฝนแรงเหมือนกันพระไม่มีอาหารจะกินพาาระอนนท์เป็นผู้ตำข้าวหนะิฮดูพาาระอนนท์ตำข้าวเลี้ยงพระตำจนละเอียดคนี้กินหอดเก็บค น, น, นไปในยุคนั้นมีเลยเต่อไปภายภาคหน้าทำาแไรอย่างนั้นพวกเราทำยังไงอาละพรในะตอนนี้อนุโมทนาให้พร เกิดพบได้ชาติใดจะให้ได้พบเห็นความอดอยากเนี่ยเพราะนั้นพวกเราควรจะทําบุญทําทานเอาไว้เนี่ยเกิดมาพบใดชาติใดเขามาอดอยากอย่าให้ได้มีอย่าให้ได้เห็นอยาให้ได้ยินมั้งนั้นต้องการอะไรเสียงไหนก็ให้สมความมุ่งมาดนปรารถนาะถึงจะไม่มากก็ให้มีให้อยู่ได้กินอย่าให้อดท่ายากเนี่ยแหะเวลาทําบุญทําทานปรารถนาอย่าให้อดท่ายากอื สับพร้องข้าววินมุตโตนสับพะสันต